พระธรรมเทศนาลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในโอกาสงานบำเพ็ญสรีละสังขารหลวงปู่จามมหาปุญโยวัดป่าวิเวกวัฒนารามจังหวัดมุกดาหารมีชื่อเรื่องว่าอัปปมาทธรรม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 พยาวะธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเดทาติติวันนี้เป็นวันที่สองที่องค์หลวงปู่จามมหาปุญโญที่เป็นหลวงปู่ของเราที่ได้จากไปเมื่อวานนี้หลวงปู่ของเราได้จากไปเมื่อวันที่สิบก้ามกราคม พุทธศักราช 2,556 เวลา 9:00 น, น, นอของวันที่9วันนี้เป็นวันที่20วันนี้พวกเราได้ทำพิธีได้รับน้ำพระรัตนทานมาเพื่ออาบน้ำสงศบขององค์หลวงปู่เมื่อเวลาบ่าย2โมง30นาที พี่น้องคณะสัตยาติโยมลูกหลานรู้สึกว่าแน่นหนาอุ่นหนาฝาข้างมากทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็มากมายทั้งฝ่ายพี่น้องไปชาชนก็แน่นถนัดไปหมดหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นฝ่ายลูกหลานที่เป็นฝ่ายสงแล้วก็เป็นลูกหลานขององค์หลวงปู่หลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่คณะสัตยาธาาิโยมทั้งหลาย ให้ความเคารพกราบไหว้องค์หลวงปู่ของเราสมก็องค์หลวงปู่ของเราเป็นผู้มีเมตตาต่อทุกคนพวกเราเห็นอายุมากขนาดนี้ร้อยกว่าปีเล่ากับใครมาก็มถือหมายเท้าม า, าใครจะเข้ามาถึงจะชันอาหารอยู่หลวงปู่ก็ได้เอาไม้เท้าเขเ ก, กะกบานคล้ายๆว่าให้เป็นสิริให้เป็นมงคลท่านก็คงจะเสกคาถาหรือบแผ่เมตตาจิต ในใจในใจิตในใจของท่านก่อนที่ท่านจะเฉดหัวเรีย ว, ว่าเคาะหัวให้แก่ลูกหลานลูกหลานกระพออกพอใจอที่ได้มากราบมาไหว้องค์หลวงปู่ของเราอง์หลวงปู่ของเราเป็นผู้มีเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกกับหลานทุกคู่ทุกคนไม่ว่ามาจากสถนานที่แห่งใดถึงจะมารถบัสตั้งหลายคันมาหลวงปู่ก็ได้เคาะหัวให้ทุกคนไม้เท้าของท่าน แต่พวกเราก็โอ้หลวงปู่ยกไม้เท้าไวไหมนี่ทวอายุถึงเป็นร้อยปีแล้วแต่หลวงปู่ก็ยังมีเมตตาต่อลูกต่อหลานเพราะนั้นวันนี้จึงเห็นลูกหลานทั้งหลายได้รับความเมตตาจากองค์หลวงปู่ได้หลังหลทะลักเข้ามาสู่วัดป่าวิเวกวัฒนารามวัดป่าบ้านห้วยทรายแห่งนี้จนล้นหลามหลวงพ่อเองในฐานะหลานของหลวงปู่ หลวงพ่อจึงเป็นที่ปลื้มใจเป็นที่พอใจเป็นอย่างยิ่งแต่หลวงพ่อเองก็ได้ประกาศว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนที่อยู่ห่างไกลขนาดไหนที่รักเคารพในองค์หลวงปู่ที่รู้จักมรคุณในองค์หลวงปู่หรือไม่ได้รู้จักมรคุณแต่ได้ยินกิติศัพท์ก็ขอกา ร, ราบและละทนานิมนต์แต่วันนั้นถึงวันไปชุมเพลิงทั้งจะไม่ได้รับเอกสารหรือว่าไม่ได้รับจดหมายดีกานิมนต์ กับผมเองก็ขอในมวลทางอากาศออกบอกกล่าวครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ขอให้มาร่วมงานขององค์หลวงปู่ของเราตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เราก็จะได้ถือว่าเราไม่ได้รับเชิญไม่ได้รับดีกาพวกเราจะไปยังไงเขอะเเคินเคินอาย อ, อ, อ, อ, อ, อ, อย่าได้คิดอย่างนั้นขอให้หลวงให้ถือเสมือนว่าหลวงปู่จามของเราน เป็นพระสาธารณะเป็นพระของทุกคนเป็นพระของทุกคนอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นท่านไม่ได้ถือว่าคนนั่นคนนี้มาแล้วก็ท่านก็ให้ความเมตตากับลูกหลานทุกคู่ทุกค น, กคนเพราะฉะนั้นถึงงานพระราชทานเพลิงหรือว่างานประชุมเพลิงขององค์หลวงปู่ก็ขอให้พวกลูกหลานขนา้าราทกาญาติโยมตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์ประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ขอให้มาร่วมกัน แสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูในองค์ท่านเพราะองค์ท่านอายุมากแล้วก็เป็นที่เคารพของคณะสงฆ์และคณะสิทธิยานุสิทธิท้งหลายในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วแต่ท่านคงจะไม่กลับมาอีกเพราะนั้นพวกเราผู้อยู่เบื้องหลังก็แสดงออกซึ่งความเคารพรักในองค์หลวงปู่เป็นครั้งสุดท้าย ใครคิดเห็นอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่องานเผาหรืองานประชุมเพลิงสรีละของหลวงปู่ก็ให้ขอให้พวกเราช่วยช่วยกันคิดให้ช่วยช่วยกันคิดให้ผู้ช่วยกันจัดการพอเราจะถือเสมือนว่าเราเป็นลูกเป็นหลานขององค์หลวงปู่เมื่อหลวงปู่ล่วงลับดับขันไปสิรีละของท่านก็ยังยังอยู่พวกลูกหลานทางหลาย ขอให้มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันรักสมัคคีกันอันไหนจะเกิดประโยชน์ต่องานของหลุงปู่เลี้ยงอาหงอาหารเรื่องน้ําเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคนจํานวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราควรท้าว่าพวกเราต่างคนต่างคิดต่างคนกระต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือมองสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ด้วยกันผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องน้ําเรื่องอาหาร เรื่องความสะอาดเรื่องถนนหนทางเรื่องที่พักพาอาศัยเรื่องโต๊ะเรื่องเก่าอีมีมากมายที่พวกเราจะต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นผู้ใดอยู่ในสถานะไหนที่จะรับหรือจะช่วยได้ในเรื่องอะไรก็ขอให้พวกเราคณะญาตาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านให้มีส่วนร่วมถือว่าบูชาพระคุณองค์หลวงปู่ของเราเป็นครั้งสุดท้ายอย่างที่หลวงพ่อกเหมือนกันถึงจะยากลําบากทุกยาก คิดห่วงวัดของหลวงพ่อเหมือนกันแต่หลวงพ่อก็เนี่ยหลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เนี่ยเป็นเป็นผู้มีหน้าที่ออบอกกล่าวและเป็นองค์แสดงธรรมและเป็นให้แสดงธรรมแต่ตามไม่จริงการแสดงธรรมหลวงพ่อถ้าไม่ให้แสดงและไปให้พูดันดีที่สุดแต่ว่ามีความจำเป็นก็จะต้องพูดก็ต้องได้พูดแต่ถึงยังไงก็ตามจะพูดจะทาให้เกิดประโยชน์ ให้มากที่สุดสําหรับองค์หลวงปู่สิ่งไหนที่จะหายนะจึงไหนที่มันไม่ดีหลวงพ่อจะไม่คิดไม่พูดไม่ทําในสิ่งนั้นนี่แหละในใจของหลวงพ่อขอขอให้ลูกหลานทุกคนให้ใช้แนวความคิดของหลวงพ่อนะให้ช่วยกันคิดว่าคิดดีทดําดีพูดดีในงานขอ ง, งองค์หลวงปู่อย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นให้มีความพร้อมเพียงสมัครคีกันแล้วก็เรื่อง งานพระราชทานหรือว่างานประชุมเพลิงนั้นพวกลูกหลานขน้ศราชกาญาติโยมก็อยากจะถามในใจอีกเหมือนกันว่าหลวงปู่ของเรานจะเก็บไว้นานจักเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นมีคําถามอยู่เกือบทุกคนแต่หลวงพ่อเองกันในฐานะที่เป็นฝ่ายสงฆ์ก็บอกว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะเป็นคนของชาติบ้านเมืองเป็นคนของแผ่นดิน เพราะนั้นเราจะทําตามอําเภอใจทําตามอัธยาใจอยากจะทำก็คงไม่ได้เราก็ต้องมองเบื้องสูงเบื้องต่ําถ้าเบื้องสูงก็คืออย่างที่หลวงตามหาบัวท่านเคยพูดบอกว่าหลวงปู่ขาวนี่ถึงท่านจะมอบให้หลวงปู่หลวงตามหาบัวเป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดการเรื่องงานศพทุกอย่างแต่เราหลวงปู่ขาวก็เป็น คนของชาติบ้านเมืองของคนของในหลวงเพราะฉะนั้นต้องฟังในหลวงก่อนท่านในหลวงพระราชทานเพลิงลงมาหรือพระราชทานอะไรลงมาพวกเราในฐานะประศคนิกรก็ต้องยอมรับใ น, ในการพระราชทานจุดนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์พระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกกล่าวให้คณะสิทธิ์อย่างรู้สิทธิ์อย่างหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ได้ยึดแนวแถวที่องค์หลวงตาให้แนวทางเอาไว้คือเราจะไม่ทำอะไรเอาตามอำเภอใจทำอะไรตามอัธถาใจเราจะต้องดูเบื้องสูงเบื้องต่ำดูรอบด้านความเหมาะสมการสถานที่บุคคลคนนั้นขอให้ลูกหลานคอยฟังคณะทาญาทโจมคอยฟังว่าจะมีการประชุมเพลิงด้ือว่า ถวายเพิงองค์หลวงปู่ของเราอย่างไรอันนี้ก็คงไม่นานคงไม่นานก็คงจะได้รับคําตอบจากคณะกรรมการหรือครูบาอาจารย์แต่สําหรับหลวงพ่อเองก็นั่นแหละหลวงพ่อไม่ได้ทําตามอําเภอจะอาถาใจฟังพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าว่าเหมาะสมอย่างไรหมักน้อยแค่ไหนก็เดินตามสายนั้นแหละแล้วก็พร้อมกัน ในขณะที่จะไปถึงจุดนั้นพวกเราก็อย่างวันนี้แหละมีการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมเทศนาจากนันกสวดมาติกาบางสกุลต่อไปแล้วก็พร้อมกันในขณะที่ฟังธรรมหลวงพ่อก็จะให้นำแนวธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงปู่จามนี่ท่านเทศนาว่าการมากมายนะครับนะัศรัทธาญาติโยมลูกหลาน แต่หลวงพ่อก็น่าเสียดายในขณะที่ท่านยังเป็นพระน้อยพระหนุ่มสมัยที่หลวงพ่อมาอยู่ท่านเทศโอ้จะแสดงธรรมรู้สึกว่าเาฟี้ยวมากเลยแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็ไม่มีเครื่องอัดสมัยนั้นอย่างว่านะปา ร, รงพงภัยแต่มาถึงยุคช่วงหลางๆนี่ท่านก็อ่อนเหนื่อยแรงพอแรงแล้วจึงมาอัดก็ไม่ได้ถึงครึ่งไม่ได้ถึงครึ่งที่ท่านแสดงธรรม ค น, นก็น่าเสียดายเหมือนกันนะทําคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ถึงยังไงก็เถอะนนแนวทางปฏิบัติของท่านครูบาแจวก็ได้พิมพ์หนังสือที่ท่านบอกกล่าวอย่างไรท่านก็ได้ออกมาพิมพ์เป็นหนังสือให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็เป็นแนวทางอันหนึ่งถ้าไม่มีอาจารย์แจวออกมาพิมพ์หลวงพ่อเขาคิดว่าก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะปฏิปทาของหลวงปู่ของเรา เป็นปฏิปทาที่ว่าเข้มงวดกวดขันเป็นปฏิปทาที่เด็ดเดี่ยวของท่านเหมือนกันนะท่านไปภาวนาอยู่ทางภาคเหนือไม่ใช่ธรรมดาออท่านอยู่องค์เดียวไปองค์เดียวเดินทุง่งบางทีก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างออบางทีท่านเดินไปบางแห่งชาวบ้านไม่ใส่บาทให้ฉันออพอเดินไปแล้วโอโ้โหท่านวันเหนื่อยมากเลยจนล้มจะเป็นลมฮะจะเป็นลม แล้วก็มีเหมือนกับเนี่ยเทวดาพญานาคปะเป่าเข้าที่หูเป่อลมเข้าที่หูแห่เื้ขึ้นคืนมาแล้วก็เดินทางต่อเนีอันนี้ก็คือฟังฟังดูแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะท่านเป็นผู้เด็ดเดี่ยวจริงๆสําหรับองค์หลวงปู่ของเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรายึดแนวแถวองค์หลวงปู่เอาไว้หลวงปู่ท่านก่อสอนเรื่องสอนท่านให้ภาวนาพุทโธเหมือนกัน เพราะว่าหลวงปู่มั่นท่านหลวงปู่มั่นเป็นปฏิปทาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเนี่ยท่านจะสอนลูกศิษยานุศิษย์ของท่านท่านเคยให้สอนภาวนาพจนโทเนี่ยแหะเป็นหลักนะคะืคณนาะจัตตาญาติโยมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเกินต้นๆ้นว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสารหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านได้สืบทอดการปฏิบัติให้ภาวนาเรื่องสมถะ สมรทธาคือทำจิตใจให้สงบเนี่ยท่านจะให้ภาวนาพุทธโธเป็นหลักหายใจเข้าพุทหายใจออกโทองค์หลวงตามหาบัวขเหมือนกันท่านได้พูดว่าสมัยเมื่อท่าน อ, อยู่ปฏิบัติเมื่อจบมหาป ร, ริยนมาท่านก็กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่ได้บริกรรมพุทธโธพอต่อมาอต่อมาม มันหลุดบ่อยเออมันหลุดบ่อยมันท่านก็เลยยึดแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่สอนว่าหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุทโทเออยึดกรรมาฐานพุทโท อ, อยู่4วันทำไมไม่ให้มันเผลอเวลาเดินกับขาขวาพุทธขาซ้ายโทเวลาปัดกวาดกับเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโทคือมีสติสัมปชัญญะ ในทุกอริยาบทในการก้าวเดินบังคับให้จิตใจอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดจิตใจของท่านก็เลยเข้าสู่ความสงบบังคับอยู่ได้สี่วันครัน เ, เป็นการบังคับจิตบังคับใจเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักมากนะลูกศิษย์ลูกหาคณะศรัทธาญาติโยมนะอันนี้หลวงตาท่านก็พูดพูดให้แก่พวกเราท่านให้เป็นแนวทางสําหรับพวกเราเพื่อการศึกษาจากนั้นจิตใจของท่านก็ได้ สู่ความสงบเพราสู่ความสงบท่านรู้ได้ด้วยตนเองว่าจิตใจจะไม่เสื่อมอีกแล้วท่านลักษณะอย่างนี้นี่แหละลงตาท่านกา็ได้เป็นแนวทางท่านก็ยึดแนวแถวหลวงปู่มั่นแต่เราหลวงปู่ล่าก็เหมือนกันหลวงปู่ฟั่นก็เหมือนกันให้ภาวนาพุทธโธด้วยการทางนั้นเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาธิโยมลูกหลานทุกคนกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามีอยู่40่สิบกรรมฐานแต่หลวงปู่มั่นท่านให้บริกรรม เอาเอายึดกรรมฐานหนึ่งคือหายใจเข้าลมอนาปานสติลมหายใจเข้าแล้วก็พ้อมวริกรรมพทรุพโทโธพุทโธนี่แหละให้พวกเราทำนันลูกหลานคณะทัตยาติโยมเป็นหน้าที่ของพวกเราถ้าพวกเราเภาวนาพทุทโธมีพุทโธอยู่ในจิตในใจเมื่ออายุมากเท่าแก่ชราใจของเราจะไม่ว้าเหวอ้างวางเงียบเหงาซึมเศร้าเพราะเหตุอะไรเพราะ เรามีทำอยู่ในจิตในใจเรารู้แก่ใจว่าร่างกายสังขารนี่คืออะไรเนะี่ยถ้าว่าเราไม่ได้เคยภาวนาซะเลยเนะี่ยพอได้ยินข่าวว่าจะตายท่านั่นอ่ะโอ้มันกลัวจริงๆนะแต่ตามไม่จริงคนภาวนาได้กลัวไหมกลัวกลัวอยู่เออแต่ก็ไม่ถึงกับกลัวจนมากมายเพราะได้พิจารณาไปแล้วใครจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายมีไหมเออให้มีถามปัญหาตัวเองที่ว่าใครจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายเห็นไหมเห็นใคร ปู่ย่าตายายาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีเศรษฐีมหาเศรษฐีถ้าเขาจ้างให้อยู่ เ, เป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาก็คงจะจ้างให้เอายาเอาหมอมารักษาเขาแต่ไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายแต่ข้าพเจ้าทําไมจึงจะคิดว่าจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายถึงขนาดนั้นตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหม อันนี้ก็คือให้ถามปัญหาตนเองถ้าเราคิดอย่างนั้นเมื่อเราคิดแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำยังไงท่านบอกว่าให้เตรียมพร้อมอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ถ้าคนมีบุญแล้วไปที่ไหนดีทั้งหมดถ้าคนไม่มีบุญตายก็ไม่ดีอยู่ก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะคนมีบาปเพราะนั้นคนที่มีบุญสร้างสมบุญกุศล ให้ทานรักษาศีลภาวนาพวกเราจะมีแต่ความสุขความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจนี่หลักๆทานนี่แหล ะ, เ, ะเราจะไปมองข้ามการทําบุญทำทานใช่การทําบุญ ท, ทานคือการเสียเปรียบคนอื่นแต่พระพุทธเจา้าท่านว่าคนเราต้องคนที่ที่จะล่ําจะรวยจะมั่งมีสีสุขได้หรือว่าเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่ต้องอาศัยทานนะทานนี่แหละเป็นพื้นฐาน เป็นพื้นฐานที่จะปูทางไปสู่มรรคผลนิพพานทานเราเกิดในภพใรชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดอยากถ้าคนมีทานะคือมีการเสียสละมีการทำบุญทำทานทานคำนี้ก็คือให้อามิตทานออการให้อามิตเงินคำซับสมบัติที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้เจ็บ อ, อ, อันนี้เรียกว่าอามิตทาน แล้วก็วิทยาทานการแนะนําสั่งสอนที่เขาโง่ที่เขาไม่ฉลาดเท่าเราเราก็ให้คําแนะนําจากสั่งสอนวิธีธรรมะหาเลี้ยงชีพอย่างเนี้ยเรียกว่าวิทยาทานธรรมทานก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนวิธีการปฏิบัติสินธรมาธิปัญญาอย่างนี้นะหนทางที่จะพ้นทุกข์วัตะสงสารถึงพระนิพพานจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยทำอย่างนี้นะอันนี้เนระียกว่าธรรมทานอภัยทานก็คือ ให้อภัยกันพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนคนหนึ่งก็พูดอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ทำอย่างหนึ่งให้กับเราเราอาจจะไม่พอใจในการกระทำนั้นๆถ้าเราไปถือโทษโกรธ เ, เคืองผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆทั้งหมดที่เขามาพูดมากล่าวมาแสดงความให้เราไม่พอใจเราจะปลูกพยาบาทอาฆาตเขามันก็ไม่ถูกเราก็ต้องอให้อภัยทานหยวนใ ห, ให้อภัยกันไว นี่แหะถ้าบอพวกเราทําใจอย่างนี้ได้พวกเราอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนี่พระพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นอันคือนี่คือทานนะสินก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อย อ, อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไม่อยากจะถ้าเราเไปทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนทําเขามาทํากับเราเราก็เดือดร้อน เพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน น, นั่นก็คือศินนะจ๊แต่เรื่องสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้พูดสมาธิหลวงปู่มั่นท่านสอนในภาวนาพุทธโธเนอะเป็นหลักไง ห, หายใจเข้าพุทหายใจออกโธในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบรวมจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตนิ่งจิตแน่วแน่อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตดรัสรู้วันคือวันเดือนหกเพนจิตพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง เมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยานาทัตนะเกิดฌานเกิดฌานเกิดยานาทัตนะพอเกิดยานขึ้นมาท่านลำเลึกชาติโถนหลังได้ว่าปุเพในวาสานุสติยานละลึกชาติโถนหลังได้น่นี่แหล ะ, ะถ้าว่าจิตใจรวมสงบแล้วรู้แล้วว่าใจกับกายกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันนะขะันติธาญาตโจมนะถ้าหากว่าพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญอันไหนตายอันไหนเกิด เราจะเป็นนึกเดาอย่าไปคาดคะเนให้นั่งสมาธิในเมื่อนั่งสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่รูปธรรมกับ น, นามธรรมรูปธรรมคืออะไรรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคืออะไรนามธรรมคือจิตใจอาศัยกันอยู่ถ้าเมื่อจิตสงบเมื่อทําจิตใจให้สงบรวมเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ชัดด้วยตนเองว่า กายกับใจกายเหมือนกับรถนหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบนะอกายเหมือนกับรถแต่ใจเหมือนกับคนขับรถ่ังนั้น่ะเห็นได้ชัดคนขับรถกับรถเนี่ยมันคนละอันกันแต่คนขับรถสําคัญกว่านะในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ให้ความสําคัญคนขับรถมากกว่ารถนะอให้ความสําคัญรถ คนขับรถมากกว่ารถทัานว่าคนขับรถเนะี่ยไปซื้อรถไปสั่งรถแล้วก็ขับรถเนี่ยจะว่ามโนโปุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนบายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจก็คือเนี่แหละเรื่องนามธรรมคือคนขับรถเนี่แหละในเมื่อคนขับรถได้รถคันนี้มาคือได้ร่างกายนี่มาพาร่างกายนี้สร้างบุญสร้างกุศล บำเพ็ญทานศีลภาวนาบำเพญ็ญแต่ศีลแต่คุณงามความดีบุญกุศลก็เข้าสู่ใจเข้าสู่กระเป๋าโซเฟอร์ฮะแล้วก็พารถคันนี้วิ่งตลอดไปหาทําบุญเท่านั้นปุ่นไปหาที่นี่เออเอากายของเราเนี่ยไปทําบุญที่โน่นที่นี่พอทําบุญเสร็จแล้วเออเพราะเหตุอะไรรถรถเป็นคนพาไปใจเป็นคนขับใจเป็นคนบังคับให้ไปจากนั้น เวลาเราทําบุญทําทานบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจเวลาเรานั่งสมาธิบุญกุศลเข้าสู่จิตใจใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเถอะในเมื่อจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วพวกเราจะจากเมื่อเราถึงข่าวเนี่ยลงปู่จามของเราเนี่ยที่ท่านนอนเนี่ยร่างกายไปว่าลถรถหมดสภาพนะลดหมดสภาพส่วนคนโซเฟอร์ของท่านน่ยออกไปแล้วเออไปสวรรค์ท่านพรมเข้าสู่จตินิรพานไปแล้ว แต่ร่างกายของท่านเนี่ยทิ้งเออเอาไปด้วยไม่ได้ทิ้งเออทิ้งเออเข้าพงหญ้าไปแต่ว่าโซเฟอร์ของท่านน่ะถ้าโซเฟอร์ของท่านตั้งอยู่ในความประมาทไม่ได้สนใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนากินเป็นวันๆอยู่เป็นวันๆไม่ได้คิดได้อ่านอะไรอยู่เป็นวันๆไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลแปลว่าโซเฟอร์คนนั้นตั้งอยู่ในความประมาท ถ้าพอรถคันนี้พังรถคันนี้แก่หรือว่าใช้มานานหลายปีรถคันนี้พังเลยโซเฟอร์คนนั้นคิดดูสิว่าเขาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อรถคันอื่นอีกมันซื้อไม่ได้นะเพราะเหตุไรเพราะตัวเองไม่ได้สนใจไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเราเกิดมาพบพระ พ, พ, พ, พุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทและอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาสิตเบื้องต้นว่าอเิจาวาตาสังขาราอุปาาวะยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปะสมุสุขโขขยะวยธรรมมาสังคาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติอเนจาร่างกายสังขารทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นของไม่เที่ยง พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราไปไหนหมดแปลว่าทิา้งธาตุทิ้งขันตายไปหมดมีแต่กระดูกฮะเนีไม่ว่าใครทั้งหมดเป็นอนิจจังอนิจจา ว, วตสังขาราเกิดมาเท่าไหร่เออกลมหายตายจากไปทั้งหมดอุปัตถวะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับฮะแล อ, อุปชิตตวานิรุชันติเตสังบูปะสโมสุขโขความสงบอของร่างกายสังขารอันนั้นเป็นความสุขคล้ายๆหวานละงับ เห็นโทษในร่างกายสังขารเห็นอนิจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นล่ะเป็นสุขอย่างจร่งแต่ถึงยังไงก็ตามในขณะที่เรายังมีาธาตุมีขันยังมีร่างกายอยู่พวกเราอย่ายตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่ว่าขยะวยธรรมมาสร้างฆาราอัปมาเดนะัมปาเดธาติประวัตร่างกายสังขารเป็นอเนจงังเป็นของไม่เที่ยง พวกเราอย่าไปชลาใจอย่าไป น, นอนใจกับร่างกายอ น, นี้จนเกินไปนะพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกกล่าวที่พระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพานท่านว่าขยะวยะธรรมมาสรงฆาราอัปมาเดนะทำปาเดทาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะพวกท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาททรงอย่างประโยชน์ต น, นและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็จะให้ประมาทให้จะให้ จะให้ขาดตัวปกพ้องประโยชน์คนอื่นก็จะให้ขาดตัวปกพ้องประโยชน์ตนก็คือไหว้พระสวดมนต์ทากิจการงานของเราเท ah ํามาหาเลี้ยงชีพเมื่อเราเป็นคู่คนทำมาหาเลี้ยงชีพตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประโยชน์คนอื่นเราก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมเราจะช่วยเหลืออะไรได้อย่างที่พวกเรามาช่วยงานของหลวงปู่ของเรานี่แหละอันนี้ก็เรามาช่วยงานของหลวงปู่อันนี้งานคนอื่น ประโยชน์ตนก็คือทํากิจการงานทำมาค้าขายสําหรับตัวเองไม่ให้ขาดตกบกพร่องอันนี้ว่างานตนคนอื่นก็คือเนี่ยงานสาธารณะอยให้ขาดตกบกพร่องอย่าให้ขาดตกุกพ่ ง, กกพงทั้งสองอย่างทั้งสองฝ่ายนี่แหละเป็นธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาติโยมลูกหลานทุกคนนะเนี่ยเรื่องภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษานะจะต้องปฏิบัตินะ กายกับใจใจกับกายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดกายเหมือนกับรถใจเหมือนกับคนขับรถเนี่ยแต่คนขับรถเนี่ยจะทํำยังไงจะภาวนาอย่างไรใจิตใจของเราจะให้จะสู่เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้เนี่แหละในเมื่อภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยโดยไม่ลดละเนี่ยใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอใจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วทีนี้จะมีจ ะ, จะได้รับความสุข ความสุขความเย็นใจแต่จิตใจสงบมันมีหลายมีหลายระดับนะคณะจัตตาญาติโงศ์ลูกหลานพระเนรนะคณิกะสมาธิคือจิตใจที่รวมสงบลงชั่วงผู้ชั่วขณะหนึ่งเพียงแต่ว่าเข้ามาเท่านั้นเองเพียงจิตใจจิตใจเพียงสงบเพียงว่างเท่านั้นแหละจําไม่ลืมนะโอ้โหจิตใจทําไมมีความสุขเย็นเหลือเกินในช่วงมันในช่วงนั้นมันเป็นอะไรบ้างเอออันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิ ใจิตใจเป็นเรื่องเป็นสมาธิละถ้าว่าเราจดจอใส่อกใ ส, ใส่ใจในการภาวนานะบริกรรมอย่าให้ขาดให้มันต่อเนื่องนี่แหละใจิตใจเข้าถึางความสงบจากนั้นมากับอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเมื่อเรากำหนดพิจารณาให้อยู่ในกรรมฐานใจของเราไม่ปุวงไม่พุง้งมันอยู่กับที่กำหนดดูใจของโลกตัวเองเห็นอยู่ตลอดเวล า, าใจิตใจไม่หิวไม่หย ไม่กวนก็วายจิตใจไม่ไม่ปุ่งฟุ้งไปทางอื่นจิตใจ่ก็สติคุมสติควบคุมจิตจิตอยู่ในการควบคุมของสติจิตใจก็เน่งดูรู้เรื่องต่างๆอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิในจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตเป็นอะไรสติเป็น น, นั้นจิตเป็นอะไรสติเป็นอะไรจิตเป็น น, นั้น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตกติกับจิตเ อ, อแต่ว่ามันดูนิ่งไม่รับรู้ทางกายได้นะทนี่ภาวนาสมาธินี่นี่แหละหลวงพ่อบอกว่าพวกเราท่านทั้งหลายนะอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนยให้นั่งภาวนาพอนั่งภาวนาจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้ว น, ะนั่นละจะรู้ได้ด้วยตัวเด็กไม่ต้องถามใครเลยท่านนีออ่ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนตัวไหนพาไปเกิดตัวไหนตัวไหนศูนย์ ร่างกายในศูนย์แน่แน่เห็นได้ชัดศูนย์แน่แน่ตายในเผาไฟทิ้งแน่ๆ แ, แต่นามธรรมตัวนั้นแ่ะชัดเจนโอ้ตัวนี้เลยพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆตัวนี้เองจะเป็นผู้รับบุญรับบาปตัวนี้เองจะเป็นผู้รับบาปรับกรรมเรื่องทั้งหลายทั้งมวลตัวนี้แหละตัวนามธรรมตัวนี้แหละหเห็นได้ชัดเจนจากนั้นก็นํานามธรรมตัวนั้นออกมา จากสมาธิแล้วก็นํามาพิจารณาร่างกายสังขารเนี่ยร่างกายกับพิจารณาอย่างที่พวกเราสวดเมื่อกี้เนะี่ยเกสาผมโลมาข น, นาขาเล็บธนตาฟันตะโจหนัพระพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้สอนสอนให้พิจารณาร่างกายให้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนอะขนาดร่างกายของเรายังไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งอย่างลูงปู่ของเราเนี่ยน ะ, ะกระดูกหรือว่าร่างกายของท่านอีกสักวันหนึ่ง ต่อไปข้างหน้าไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะได้นํำ อ, อธิธาต์แล้วว่านำเสศรีละของหลวงปู่ระชมเพิงแล้วาในเมื่อประชุมเพิงน่ยร่างกายของท่านประชมเพลิงะขนาดร่างกายของท่านยังไม่ใช่ตัวตนแล้ววัดวิเวกวัฒนารามนะจะเป็นของท่านได้อย่างไรยศถาบรรดาศักดิ์จะเป็นของท่านได้อย่างไรญาติาาาพี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลา น, นจะเป็นของหลวงปู่ได้อย่างไรขนาดร่างกายหลวงปู่ยังไม่ใช่ของหลวงปู่ฮนะ นี่แหละเห็นได้ชัดแล้วนะทีเพราะนั้นอย่าหลงอย่าหลงละเลงในการเป็นอยู่นะใจนะทนี่นี่แหละให้พิจารณาตัวผู้รู้คือให้โซเฟอร์ให้โซเฟอร์สนใจในโซเฟอร์นะเออย่าไปสนใจที่อื่นให้ทุกให้โซเฟอร์เข้าใจในโซเฟอร์โซเฟอร์มองโซเฟอร์โซเฟอร์ให้เข้าใจในการเป็นอยู่ของโซเฟอร์อย่าลุ่มหลงอย่ามวเมาจากนั้น เ, เมื่อเราพิจารณาเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตโซเฟอร์ก็รู้แจ้งเห็นจริงเกิดความมือเบื่อหน่ายคลายแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอวัตตธรรมขึ้นมาสู่จิตใจหาท่านท่านบอกว่าหามักหาผลไม่ต้องหาที่ไหนเราหาอยู่อยู่ที่ใจนะนะั่นแะตัวผู้รู้นะ่ะตัวนั้นนะ่ะอยู่จุดนั้นนะ่ะจะหลงก็อยู่จุดนั้นจะรู้ก็อยู่จุดนั้นมันหลงกนะ็แก้ความหลงก็เมื่อมันรู้ก็รู้ขึ้นมาในจุดนั้นเท่านั้น รู้ขึ้นมาจุดตัวผู้รู้น่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, า ญ, ญารมุ่งลูกหลานทุกคนเนให้บําเพ็ญทานศีลภาวนาอย่าตั้งในความประมาทให้บํำเพ็ญบุญกุศลตายแล้วไม่สูญนะคณาญญานะสัตยาธิรมุ่งะตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดรถนี่ตายสูญแน่ๆแต่คนขับรถน่ะมันไม่สูญออกจากร่างนะไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปสวรรค์ชั้นผมได้ทางนั้น นี่แหละหลว ง, งปู่ของเราท่านก็เคยสอนเคยบอกเคยกล่าวอย่างนี้เหมือนกันนะให้พวกเราศึกษาดยสิในป ร, ประวัติของท่านหรือธรรมเทศนาขององค์หลวงปู่ของเราท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราอย่างนี้แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้บ่มเพนคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใ จ, าใจการพูดและการกล่าวสมโภชนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา